อ่ะตอนนี้ก็อยามโมดแต่นั่ง ง, ง่วงเหงาหงานอนเจ้าๆอย่างนี้ตื่นตัวทา ม, มาสวดมนต์กันมันควรจะเกิดความปลาโมดในใจแล้วล่ะกิจเป็นกุศลนี่จะปลาโมดถ้าเป็นบุญนี่จะปลาโมดรุนเริงกับการสวดมนต์กับการนั่งอยู่ยามเช้าปฏิบัติธรรม มันเป็นชีวิตใหม่ยามสามองค์สมเด็จสมานเจ้าในบรรลุธรรมเวลานี้แหละยามสามเราต้องฝึกตนสอนตนกันเรามาฝึกตนเคยเห็นอาการต่างๆที่มันแสดงออกมาร่างกายของเราทำมาหากินส่วนจิตใจของเราทำมาปฏิบัติ <c oughs> มีหลักในการใช้ชีวิตการเคลื่อนการไหวของกายเป็นพลังของชีวิตเคลื่อนอย่างมีปัญญาเคลื่อนอย่างมีสติกระตือให้รู้สึกตัวกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำอะไรใจทำด้วยก็ห้าม เราก็ไม่ทำสิ่งใดชี้ให้ทำเราก็ทำในหลักของอศาสนาในว่าเมื่อกี้เนี่ยพาส่วนหลักของอริยามรรคมีองค์แปดอริตตรอัสสตโรนะอริคุอริทุกคนมันมีคุอริหมดคุอวคาดพยาบาทจองเวนจองกรรมเจ้ากรรมในเวน คนอื่นไม่เท่ากับตัวเราตัวเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับตัวเราเองความคิดของเราเองเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเราเองไมมีใครลงโทษความคิดมันลงโทษตัวเองคิดดีพูดดีทําดีก็ให้รางวัลให้คุณให้ค่าไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็ติดกรรม เหวิบาตที่มันไม่ดีมันก็ฆ่าคุณฆ่าทางตรงไม่ได้มันก็ฆ่าทางอ้อมกิเลสตัณหาพาทานกรรมทั้งหลายทั้งปวงแสดงออกมาแล้วก็มีผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเป็นบนุญเป็นบาปก็เห็นมัน ความงงเหาๆนอนเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปนั่นแหละเป็นทั้งกุศลเป็นทั้งอกุศลธรรมาตอนจะนอนเมื่อคืนก็เป็นกุศลเป็นความฉลาดก็หลับสบายไปแล้วป่านนี้ก็สดชื่นนอนตั้งสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้มีความฝันนั่นก็อิ่มหลับลึกตื่นขึ้นมาวันใหม่ก็พร้อมจะทําดีกระตือรื่ร้นแล้ว ตื่นตัว mm hmm. ก็เลือกเอาจะเดินทางสูงจะเดินทางต่ำเจอไฟจเจริญ ก, ก้าวหน้าแล้วจะเสื่อมถอยหลังเข้ากรงงอลึกลงไปมามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปสว่างหรือว่ามาสว่างไปมืดเราก็เลือกเอาชีวิตของเราตื่นขึ้นมาหายใจ ปอก็ทงานพลังชีวิตมันก็เริ่มตน้นตอนนี้อีกนะทีสามถึ 3, งหกโมงเช้าหายใจอิ่มไปเลยลำใส่ทำงานกระพอหารทำงานร่างกายของเราก็มีพลังขึ้นไปจะทำอะไรก็ทำ นกเดี๋ยวถึงเวลานอนเราก็นอนพักโดยสติมันก็เป็นอย่างเงี้ยกลไกวนเวียนของชีวิต24ชั่วโมงเราก็มีความรู้หน้า ร, ร, รู้ตัวมีความฉลาดในการใช้ชีวิตกันรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยฝึกหัดตรงนี้ การเคลื่อนการไอวแต่และขณะกับนะพิษตาหายใจหรือหันใจแลกววาล้างหน้าล้างตาแปงฟันเดินไปไหนมาไหนใส่ความรู้สึกตัวลงไปจเจริญสติจเจริญสติสติมันก็จเจริญไปนิศทางไปในทิศทางที่มันไม่เสื่อมจเจริญลุวงเรือง ส, สวยรวยฉลาดมีความเข้าหน้าเห็นความจริงทำงานทำการก็ถูกต้องทำมาหากินถ้าเป็นทางทำสิกขาและทำก็เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเป็นอาชีพศิกขาหรือศึกษาไตรศิกขาศึกษาลักษณะ3มอย่างศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทำให้เราไม่จนใจ มันจะไม่มีคำว่าจนตรอกหมาจนตรอกจนใจฆ่าตัวตายเบียดเพียนตัวเองเบียดเปียนผู้อื่นจนเงินอาจจะไม่มีข้าวกินจนนั้นมาทำอาชีพที่ไม่เหมาะไม่ควรมันก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอาชีพในโรษณาห้ามขายสุราขายอาวุธขายยาเสพติดฆ่าชีวิต กาขายชีวิตสัตว์ชีวิตมนุษย์พวกนี้ห้ามเด็ดขาดอาชีพอื่นก็ทำไปจะกินก็ไปเนื้อสัตว์ที่ไม่ควรกินก็นเสือโครง่งเสือเหลืองเสือดำสุนัขมา้าพวกนี้งูห้ามเด็ดขาดนี่ มันก็มีกรอบมีข้อกำหนดมีกฎมีเกณฑ์ที่บรรพุรุษก็บอกต่อๆ ก, กันไปไม่กระทั่งการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนึงนึ่ห้าวิธีกันเนะเคลื่อนไหวรู้สึกหลวงพ่อเทียนท่านเป็นข้าบดีเนี่ยคั้นี้ท่านมีปัญหายังโกรธอยู่ตามประวัติ แล้โกรธในงานบุญได้ทอยกระถินแต่ว่าโกรธภรรยาภรรยาพูดบอกว่าเออต้องก็รทำบุญไปนรกทำบุญได้บาปคนมีปัญญาฟังมันก็เออจริง <c oughs> ก็จึงเอาละศึกษาดูซิว่าพุทธนาสอนให้เราไม่โลกไม่โกรธไม่หลงมันจะจริงไหมเกลื่อนไหวรู้สึกตัวนะพอทำไปทำไปทำไปเออ ภายในวันเดียวตามประวัติของท่านนะวันเดียวท่านบนรรลุธรรมวันเดียวอะ่ะอย่างพลวงม่ อ, เ, อเขียนกันเวลาเห็นนะว่าปฏิบัติเนะยคุณทําไปเถอะหนึ่งวันเนะี่ยหลวงพ่อทำแค่ชั่วโมงเดียวนั้นนะคุณทำหนึ่งวันคุณทําเนี่ยเป็นเดือนแต่หลวงพ่อเนี่ยทำวันเดียวนั้นแหละ เมันเวลาทำงานทำการบางคนทำงานงานชิ้นหนึ่งทำต้อนานอยู่อย่างก่อสร้างเนี้ยทำา้นานอยู่แต่บางคนทำแป๊บเดียวทำโดยหนึ่งมีหลักวิชาการอิงหลักวิชาการแล้วก็ทดลองไข้ควรพิสูจน์ทำลงไปจะต้องจำนานนะลองผิดลองถูกก็เลือกเป็น ตอนหลังก็เลยเป็นการทําำในความรู้จริงรู้สึกตัวก็เหมือนกันเราก็ทําจริงๆรู้จริงๆหลังจากที่ได้ฟังรู้จํารู้จักพอมาทําลงไปแล้วรู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาแล้วมันก็จบเป็นด้วยเราไม่ใช่คาลาค า, า, าสังแต่ว่าเรามันก็ได้ใส่ใจกันจริงๆแล้วมันก็ได้เชื่อมีศรัทธางลงไปเต็มร้อย ไม่ค่อยมีปัญญาคิดมากจะทำอะไรคิดมากจนไม่ได้ทําคราว น, นี้วิธีปฏิบัติหลวงพ่อเทียนให้สัมผัสลงไปให้มากมากกว่าคิดสัมผัสแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวสัมผัสลงไปอาการต่างๆก็สังเกตดูถ้ามันไม่ผ่อนคลายไม่สบายแสดงว่าทําไม่ถูกก็แหละ วางใจไม่ถูกยกมือเจ็บหลังเจ็บเอวเดินเจ็บคอพอนั่งสร้างจังหวะเจ็บขากระผ่อนคลายบรรเทาเกี่ยวข้องให้มันปมบอกพอควรตรงนี้จะ เ, เกิดประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เราก็จะบอกตัวเองได้ว่ามีความก้าวหน้าอยู่ในตัวเราก็ว่าทำได้เรื่อยๆรู้ทันความคิด คิดปับรู้ล้ไม่ใช่สัมผัสการเคลื่อนการไว้ที่เราเจตนาตั้งกรรมฐานอยู่เพราะนั้นจากความพอใจที่จะทำฉันทะเนี่ยนะถ้าเราทำเรื่อยๆต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วก็ไม่พูดคุยกันไม่คุกครีอยู่กส็ส่วนตัวส่วนตัวตัวเองพอเราหันกลับมามันจะกลายเป็นอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลแกปกิชาโทมนัตสัง ที่เมื่กี้เราสวดกันน่ยจะกลายเป็นเพียนเพ่งเพียนเผากิเลสกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดที่ความคิดคิดแล้วโลภคิดละวกอดคิดล้หลงคิด ล, ล้รักแล้วชังคิดละหัวเราะคิดร้องให้อยู่ในการปรุงการแต่งต้หลงเผาก็ไปนในความคิดก็ายาวแล้มารู้สึกตัวทันทีมันก็หลุดออกมาทันทีวิมุติเกิดทันทีวิมุมแตแปลว่าไม่หมุดลงไปในอารมณ์ ไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกความคิดมันทับถมมันกรอบงามัน ม, มีตัวตนเดิมมีอิทธิพลทำให้เกิดการเดียด เ, เปลียน ต, ล น, ตตลนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นทะเลาะวิวานสไม่ขังตัวเองทะเลาะกับตัวเองจนอยู่ไม่ได้พราะไม่รู้สึกตัวรูปแบบมันก็ชัดเจนตรงไปตรงมาทุกครั้งที่รู้สึกก็สลัดคืน ทุกครั้งที่มารู้สึกตัวก็สติเจริญทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตก็ปลาโมดทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตก็เดินทางไปฝ่ายกุศลมากผลนิพพานก็รออยู่ตัวรู้ตัวตัวตัวต ว, วิชาเคลื่อนไหวรู้สึกนะก็ตัววิชาวิชารู้รู้ถูกเมื่อรู้ถูกเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาเคยเชื่อ บงคลตื่นข่าวสื่อสารมวลชนเชื่อหนังสือพิมพ์เชื่อคลื่นทางดาวเทียมต่างๆ ต, ต่อหลังแลเชื่อความรู้สึกตัวคลื่นของสติคลื่นของปัญญาพลังของพุทธเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดมาแล้เชื่อตัวเองเห็นตัวเองจิตปรามโมดขึ้นมาลื่นเลง อยู่กับตัวเองนี่รุ่นเริง ม, มากอยู่ผู้อื่นสิ่งอื่นอาจจะถูกหลอกได้แต่อยู่กับตัวเองมันรุ่นเริงเห็นความจริงนั่งเดินยืนนอนมันจริงอะเวลายอยู่เวลาหนาเวลาวมันก็จริงมันเป็นศัลธรรมผ่อนปลาหมดอดเกลืมาอยู่นานๆมันก็มีปิติมีความสงบ นั่งอยู่ได้นา น, านๆไม่ลุกลี้ลุกลนไม่หุนหันไปนเล่นไม่ปุดลุกหุดนั่งหุนวายสับสนยุ่งเหยิงชุมชนนั้นก็มีความสงบอย่างเง็นตอนนี้เป็นต้นชมชนก็สงบเรียบร้อยนะพอตีหนึ่งคนมันก็คิดแบบหนึ่งคนสองคนก็คิดแบบสองคนสิบคนก็คิดแบบสิบเรื่อง น, นะมันก็เลยเออก็เลิก เพรพอเรารู้สึกตัวมันก็สิ่งเดียวกันเหมือนกันทุกคนมันก็จบที่รู้สึกตัวเมื่อเกิดความสงบขึ้นมาปสจติกลนะกายก็สงบจิตใจก็สงบสงบกายสงบใจมันก็เป็นอันนี้สองความรู้สึกตัวเป็นอันนี้สอง ของการคิดดีพูดดีทดําดีมันเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นมาเป็นความงดงามของชุมชนของสังคมต่างๆจะทําอะไรมันก็มีศิลปะมีศาสตร์มีศิลป์เกิดความสุขขึ้นมาสันติสุขมีความสะดวกในการใช้ชีวิตจะกินจะขับถ่ายจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนมันก็มีความสะดวก แตว่าทุนหนึ่งสองสามสถานที่หนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามีการเกี่ยวข้องแล้วก็ชีวิตดำรงยืดยืนยาวนอกจากมันคิดดีพูดดีทำดีมีความฉลาดเป็นความสุขที่ได้มาโดยชอบมันก็เป็นสุขที่ยั่งยืนเห็นไหมความรู้สึกตัววิชา รู้รู้ถูกพาไปโดยที่เรามีกรอบมีกฎของกรรมฐานมีกฎของธรรมชาติไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะทำถูกมันจะลื่นถาลายตลําตกลงไปลุ่มลึกลงไปปณิลึกซึ้งลงไปกการปฏิบัติเห็นารายระยะต่างๆ มันเป็นอาการที่เราอยู่กับมันแต่ไม่เคยเห็นมันธรรมะธรรมะจึงไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดแน่นอนนะแต่มันกําลังปรากฏอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักมันที่ไม่รู้จักก็เพว่าเครื่องรับมันยังไม่ตากฉานเครื่องรับมันยังไม่ทรงพลังเราก็จึงนะํามันฝึกกันรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว ท้สุดความสุขก็ไม่เอาสุขมันก็รู้ทุกมันก็รู้หลงมันก็รู้รู้มันก็รู้มันตั้งขึ้นตั้งล่องมันครอบจักรวาลในเมื่อสุกกลายเป็นทุกมีแต่ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาการทุกอาการมันจึงเป็นอาการที่เราจะต้องรู้จักรู้เท่ารู้ทนันรู้ผ่าน อะไรเกิดขึ้นมาก็ตามพอใจไม่พอใจยินดีเยินร้ายชอบไม่ชอบคิดบวกคิดลบก็คือคิดทั้งหมดนั่นแหละเราก็รู้เท่ารู้ท่านสัมผัสรู้ความรู้สึกกายสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวสัมผัสรู้สภาพธรรต่างๆแล้วรู้รอบกองสังขารกายย่สังขารก็รู้มันนั่งเดินยือนนอนดุลกอนทารี จิตตสังขารก็รู้ว่ามันการคิดการปรุงทุกเรื่องเป็นแค่มายาภาพทั้งหมดแต่ว่าเป็นที่ยอมรับก็เป็นความสุขถือว่าเป็นความสุขไม่เป็นที่ยอมเล่าถือว่าเป็นความทุกข์กิเลสตันหาประธานต่างๆอาการต่างๆมากผลนิพพานเรากําหนดรู้โดยการรู้กําหนดรู้โดยการละกําหนดรู้โดยการปล่อนกายบรรเทาเป็นปริญญาไปเป็นความรู้ที่มีความฉลาด รู้แลรู้ถูกถ้านะ ต, ตีมแต่ให้เกิดปัญญาอยู่แล้วปัญญามันก็เป็นเรื่องของพลังที่เดินทางไปสู่ความจริงเห็นความจริงความจริงก็คือไม่มีอะไรมันเที่ยงแท้แน่นอนหรอกไอ้ที่ว่าแน่มันก็ไม่แน่ไอ้ที่ว่าไม่แน่ล่ะคือมันแน่ไอ้ที่ว่าแน่ไม่แน่ ไอ้ที่ว่าไม่แน่มันแน่เพราะนั้นต้องเรียนวิชาเผือใจอไว้ในโลกใบนี้กูว่าแล้วเตรียมทำใจไว้ลยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถึงเวลาเออเราก็เตรียมใจไว้แล้วว่าแล้วแต่งงานกันต้องจากกันไปทะเลาะบอ่อแวงหย่าร้างว่าแล้ว เตรียมทำใจไว้กั้งแต่ตอนแต่งตอนแต่งตอนแต่งก็ทําใจไว้เลยเว่าแล้ววันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างที่ก็เป็นกันพอถึงเวลาเออถึงเวลานอนป่วยเหมือนกันเห็นคนเป็นมะเร็งเราเช่วันนึ่งลอยจะเป็นก็ได้บลลัณฑารโรคลอยจะเป็นก็ได้คือทุกคนตอนนี้เป็นกันอยู่แล้วอ่ะนะมะเร็งก็เป็นกันทุกคนนั่นแหละเซลล์มะเร็งมีอยู่ในตัวเชือ้อไวรัสแบคทีเรียก็มีหมดนั่นแหละ ทีวีบรรลุโลกก็มีหมดนั่นแหละเพียงแค่ภูมิต้านทานมันเอาก็อยู่ภูมิต้านทานยังสู้กันได้มันก็รอดตัวไปอยู่ได้ไปวันวันหนึ่งร่างกายก็มันลังโรคโลคาตพยาธิพอถึงเวลาป่วยกันมันยิงงเออว่าแล้วเมื่อก่อนนะว่าแต่คนอื่นก็อธิบายนคนเมืก่อนนะว่าแต่คนอื่นก็คือเห็นแม่ก็เวลาก็เล่าทานอาหารนะกับนายคนหนึ่ง ก็ใช้ฟันหน้านะ่ะกี้ยวแล้วทำปากเงี้ยยอมเราก็ขำา็นะโอ้ยตอนหลังเป็นเองอนะ่ยพอฟันข้างในมันผัวมากินฟันหน้านหะก็มา น, นึกถึงแนละ้วโอ้ยว่าเขาอีหนาเป็นเองถึงเวลามันมีต้นแบบมากมายให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วก็โดยภาะแบบของชีวิตเราที่ผ่านมาเนะี่ยมันก็เป็นตัวอย่างบางอย่างก็คนหัวลุก ผ่านมาได้ผ่านมาได้ตอนหลังพอมันมีสติมีความรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้จักใช้ชีวิตก็เท่ากับอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขนั่นแหละพอาะไรพวิชาภัย ม, มีความสุขรู้ตัวรู้สึกตัวในวิชากรรมฐานเนี่ยรู้แล้วเมื่อกี้บอกว่าทําให้เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้น ม, นมาเมื่อก่อนเราเชื่อหนังละครเราเชื่อการกินเกียรติ เราก็หิวหวยหาทะยานอยากทองโลกวางไปได้ขุมทรัพย์มีทองที่ไหนไปขุดทองมีเพชรที่ไหนไปหาเพชรเรียนรู้ไว้เรื่องโลกโลกสูตรการดูเป็นยังไงเรียนรู้ไว้เพชรดีมณีแดงเขียวจะให้แสงมรกตเหลืองให้สดบุสราคำเรียนรู้ไว้แดงแ ก, ก่กรรมโคมันเอกสีหมอกเมฆนและการมุดาหานหมอกมัว แดงสรุว่าเพทายสังวันสายไพฑูรยแล้วก็ไปทำไรจิวเรียร้านจิวเรี่รไปศึกษาให้มันเลิกลงไปม้ํางามเป็นยังไงรองรอยตําหนีเป็นยังไงแม้ทางค้าเงินเงินจริงเงินปลอมเป็นยังไงลองรวยใหชัดแบ่งพันศึกษาทำ ม, มา ก, ก็เหมือนกันจริงปลอมอยู่ตรงไหนทำให้รู้สึกตัวปลอมทั้งหมดนี่ถ้าจริงก็คือเนี่ยการเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยรู้ตัวนะใครจะหลอกใครได้นะ เมื่อยก็รู้อยู่หนาวก็รู้อยู่คิดไปก็รู้อยู่มัน ม, มีใครหลอกเราได้พอมันเห็นสุขทันน่ะวิชาเห็นตัวสุขมันก็ไม่เอาสุขเหมือนกันนะสุขก็ยึดไม่ได้ติดสุขวิ่งหาสุขก็ไล่จับเงาตัวเองอะไรที่ว่าสุขฮะมันจริงๆมันใช่หรือไม่สมบัติประกันชมมือขยาวสาวได้สาวเอา ก็ถึงโอ้ชีวิตมีแค่นี้เองนะแค่กินนั่งเดินยืนนอนก็ใช้เงินไม่กี่บาทหรอกแต่ที่เราหามาเยอะๆเราต้องการเยอะๆคือบัมเรอตัวเองบัมเรอวาดฝันนะเมีตอนนั้นตอนนี้แล้วจะมีความสุขท้ายสุดก็ไม่มีอยู่ดียวไต้ภูเขาหนอนขึ้นไปจนเป็นตัวสุดยอดท้ายสุดก็เดินลงมาต่อให้มีขนาดไหนไต้เป็นจอมจักรพรรดิผู้หยิงใหญ่กับแพ้กามอยู่ดี ท้ายสุดแฟนการเห็นกามหรือว่ากามาตันหาวิปวะตันหาเพราะว่าตันหาวิ่งไล่ชอบก็จะเอาเข้ามาไม่ชอบก็จะผลักใสไล่ส่งบางทีก็เฉยๆแบบโ ง, โง่ๆโมเแบกขาแบบโ ง, โง่ๆเฉยแบบไม่รู้อะไน เราก็จึงเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวฝึกหาที่การเคลื่อนการไหวใต้สุดก็คือมันก็จะเบื่อหน่ายคลายจางสิ่งที่เราหลงมาทั้งหมดในวันนี้พิทาเกิดขึ้นมาไม่ให้ราคาวิราคาเกิดขึ้นมาเมื่อเบื่อแล้วก็ไม่ให้ราคาทางตาท้งหูจมูกลิ้นกายสมองจิตใจความนึกคิดปรุงแต่งรมอารมณ์ต่างๆมันก็มีมุดตรงนั้นแหละ เคยโกรธเปลี่ยนไปไม่โกรธความโกรธก็ตกลงไปตกต่ำจิตก็สูงขึ้นมาเหยียบความโกรธความโลภความหลงความรักความชางังความสุขความทุกข์ต่างๆตันหาวประทานเราอยู่พ้นมันมันไม่ได้หายไปไหนแต่ยังอยู่พ้นมันเหมือนเครื่องบินบินไปอยู่น่นประมาณสักสิบกิโลเมตรจากพื้นดินสาม0มื 30, ่นโลพิษบินขึ้นไปเมฆมันยังอยู่แต่อยู่ล่าง แต่พอเราอยู่ล่างะแสงอาทิตย์ก็ส่องลงมาไม่ถึงพอทะลุมเมฆผ่านขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามบางทีมันมีหลายชั้นมากรองความกดอากาศแต่พออยู่เหนือได้เท่า น, นั้นแหละมันโล่งเลยจิตมันก็เป็นอย่างนั้นนะอยู่เหนือลมอยู่เหนือความคิดปรุงแต่งมันก็สบายขึ้นมาวิมุตต์หลุดพ้นพุทธศาสนาสอนเรื่องวิมุตต์ให้เราอยู่นะ นือกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่เหนือมันนันและเรียกว่าจิตสูงจิตมนุษย์จิตพระมันสูงมนุษย์โสซิเวลาบวดก็ต้องถามกันเลยนะมนุษย์โสซิต้องต่อว่าอ่ามาพันเตใช่ครับผมผมเป็นมนุษย์แต่นัทถีพันเตก็เลิกเลยปวดแตกไม่ได้บวด เป็นกีตูหรือเปล่าติดนี่มาหรือเปล่าพอแมวญาติให้บวชรืเปล่านี้ราชการมาบวชหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับนัตถีพันเตนัตถีพันเตมาถึงกระถามเป็นมนุษย์หรือเปล่าแต่นัตถีพันเตเราก็ไม่ได้บวชต้องอามะพันเตจิตมันสูงพร้อมที่จะเป็นปลาแล้วมีกําลังของสติสีสมาธิปัญญาไวพ้พิปฏิพานต่างๆรู้รอบ มารวมเกิดกันมาอาสวะกิเลสต่างๆมันจะนอนเนื่องอยู่อาสวะสวะของกีดขวางของเกกะขัดแย้งทุกความทุกอาสวะมันเกิดอาสวะขยะาหนึ่นมันก็ยามสามนี่แหละบรรลุเป็นพระนิพพานมรรคผลนิพานนพานก็ได้มาอยู่ในกรรมือสงบเย็นเป็นประโยชน์วางจากความหมายความเป็นตัวตน ทำหน้าที่โดยไม่ต้องยึดโลกนี้เป็นของเราอยู่โดยไม่ต้องเป็นทาสเป็นเจ้าของมันเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วเพราะนั้นเรามีกายมีใจเราต้องใช้อย่างเป็นเจ้าของอย่าเป็นทาสมันเมื่อไรก็ใช้อย่างเป็นเจ้าของจะเกี่ยวข้องให้ถูกต้องทางกายวาจาใจนะก็หาอยู่หากินกันอย่างนี้แหละร่างกายของเราก็ใช้การทํามาหากินด้วยอาชีพต่างๆไป เต็มโลกอาชีพใครตกงานก็แสดงว่นคนขี้เกียจอย่างลึกซึ้งเลยความชิบายจันไลอุบาเกิดขึ้นมาแน่นอนกินทุกวันแต่ไม่ทำดีสักวันไม่ทำอะไรเลยวันๆอ่ะแต่นอนๆๆๆนอนๆๆนอนนอนนอนนอนมันจะเป็นอะไรต่อไปภพชาติแบบนอนๆๆๆนอนนอนนอนเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตเถอะบางทีนะเราหมาเป็นครูก็ได้นะหมาวัดเนี่ยเป็นครูไนงะ กินแล้วก็เห่าฮ้อนบิงกันไปไปไหนก็เอาหมัดไปด้วยเอาเห็บไปด้วยคันไปหมืยุ่งเหยิงสับสนพยาธิบางทีมันกินเสร็จมันมานอนอยู่ข้างเราเออเราเองนั่งปฏิบัติเราก็นั่งง่วงหมามันก็ง่วงยจิตดวงเดียวกันเลยระหว่างนะปฏิบัติมนุษย์ที่กําลังพัฒนาจิตขึ้นสูงกับหมานี่จิตดวงเดียวกันเลย เราปฏิบัติแล้วจิตจะตกต่ำโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็น่าจะได้นะมันน่าจะมีการพัฒนามีความก้าวหน้ารู้ตื่นเบิกบานเป็นผลของการปฏิบัติถูกมันต้องมีนะมากคผลนิพพานแต่ถ้าเราไม่รู้รเลยอวิชามทำให้เกิดอะไรความไม่รู้อะวิชาเนี่ยรู้รู้ไม่ถูกเกิดการปรุงแต่งสังขาร ฝังขานไปเกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณเน้เกิดนามรูปวิญญาณพัฒนาปไปเกิดา น, าานามรูปโ น, โนามยรูไไปทําให้เกิดสลายยะนนแหละสลายยะนั่มันทให้เกิดนวลแล้วเวทนามันไหลไปเกฏการต่างต่างตันหาอุปท า, านตันหาเออมันไม่รู้หาอะไรวันวัน ไอ้นั่นดีกว่าไอ้นี่ดีกว่าหากินหาดูตันแล้วก็หางานทําจบแล้วมันหมดลงแล้วมันไม่มีอะไรทํามันตันแล้วนะขับรถแล้วมันไปไม่รอดแล้วมันตันถ้าตันแล้วอยู่ตรงนั้นมันก็ทบชาติก็อยู่งั้นแหละมันก็ต้องกลับมาหาทางออกต่อไปหาสิ่งใหม่ทําโลกนี้มันยังมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ไม่ตันหาเนี่ยแหละอุปทานแล้วก็ยึดดี อนุรักษ์เอาไว้ใหอในระดีันยึดจนติดจนทะเลาะกันอีกฝ่ายก็ว่าเป็นเต่าล้านปีถอยหลังเข้าคลองอีกฝ่ายก็เออมันล้มยุกจนกระทั่งมันพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องกลับมาเอาของเก่าสินะก็โทษกันไปโทษกันมาลักณะของความแตกต่างแต่ว่าไม่ได้มองเป็นความสมดุลเพราะฉะนั้นตรงนี้ความซึ้งตัวมันจะบอกเราตันหาอุปท า, านยึด เราก็จะยึดทํา ไ, ไงนะก็อยู่ไปวันวันหนึ่งกําลังตาเหลยวก็เหลียวตาตามอยู่ก็โจรทําตัวเป็นตารวจก็ตายอยู่คนมีศีลทำตัวเป็นคนพานก็ตายอยู่คนพานทําตัวเป็นคนมีศีลก็ตายตรงนั้นก็ต้องมีชั้นเชิงเลยละ่ะอยู่แบบใช้ชั้นเชิงไม่ได้อยู่แบบใช้กําลังอยู่แบบใช้ปัญญาเี่ย มันก็ไเจอได้ไม่เกิดปัญหารูห ล, ลบเป็นปีกรูเหลีล่ยมเป็นหางไปพบชาติชรามรณะโศกะปริเทวทุกอุปายาสตัววิชาไห้เกิดทุกเนี่แต่ว่ามันเดินทางไวมากแต่มันผ่านล่องรอยต่างๆมากมายถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวคมคมเราจะได้เห็นมันมันเป็นทางเดินเป็นแผนที่ที่องค์สมเด็จจำมาพระเจ้าได้วางไว้แล้วเพียงให้เราได้ ปึกสัมมาสติยังถูกต้องแล้ว ร, รู้ความรู้สึกตัวมีประภะต่างๆฉบับต่างๆมากมายแต่ที่นี้เราใช้ลักษณะของสัมยปะะฉบับที่เรียกว่าการเคลื่อนมือรู้สึกตัวสัมยปะเดินจงกรมรู้สึกตัวสัมยปะมันเป็นลักษณะของจิ่บทใจสีนั่งเดินยืนนอนหรือว่าอาณาปาติภภะาตายสก็คือเห็นจิตตะปะจิตของเรามันก็นมีฉบับมันกันมีบทบาทมันกันมีกรอบมีกฎมีเกณฑ์ มีหลักสูตรแล้วเราก็เรียนรู้มหาติทานสูตรจน ท, งทังเกิดสำ ม, มาส ม, มาธิขึ้นมาสติเป็นพี่ส ม, มาธิเป็นน้องเราก็จึงมีการเคลื่อนไหวบริยะเคลื่อนไหวบวกส ม, มาธิเป็นอินทรีย์เป็นพลังก็จะทําให้เราเดินทางสู่การพ้นทุกข์แล้วก็ในชาตินี้ด้วยไม่ใช่ชาติไหนเลยถ้าเป็นไปได้ก็วันนี้ด้วยขณะนี้ด้วย หลวงพ่อเขียนท่านพูดไว้ชัดมีความโกรธเกิดขึ้นมาแต่เห็นความโกรธเรีว่า บ, บรรลุธรรมแล้วมีาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยเกิดขึ้นมาขณะดปริบัิถ้าเห็นมันบรรลุธรรมแล้วเห็นความคิดอยู่ๆเราคิดแวบไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจรู้เท่ารู้ทันบรรลุธรรมแล้ว เห็นความคิดนะมันรู้ธรรมแล้วคณิกามรรลุธรรมรมันรู้จากน้อยๆไปหาจนกระทั่งมันไม่ไหลทวนกลับมาเรียกว่าตันหากลับอย่างเงี้ยนะทวนกลับมาจนกระทั่งไหลสู่ความเสื่อมมันจะเป็นความฉลาดแล้วก็อยู่ด้วยปัญญาแล้วเดิเพราะปัญญาพุทธะคือให้รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวแล้วมันไม่ต้องรั่วอะไรแล้วมันเป็นความรู้ที่นะสมบูรณ์แบบ เป็นความรู้ที่จะพาเราเกิดแก่เจ็บตายแบบคืนสู่ธรรมชาติแก่ก็ไม่ได้มีใครแก่เจ็บก็ไม่ได้มีใครเจ็บตายก็ไม่ได้มีใครใตายการพัดพลากมันก็ไม่มีพ่าในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ต้องปรารถนาลงมือทําเหตุลงไปเดี๋ยวผลก็มาเองขยันเต็มที่รวยเช่นมันถ้าเราต้องการผลโดยไม่ทําเหตุ อันนี้เราว่าตันหาแต่ถ้าเราทําเหตุโดยที่ผลจะเกิดขึ้นมาอย่างไงก็ตามแต่เรารู้แล้วว่าก็พูดว่าผลเกิดมาดีแต่ว่ายังไม่มีที่เราเหมือนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านยังไม่มีที่เราแต่ในโลกนี้มันมีแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าเราเริ่มต้นที่หนึ่งบาทขยันเก็บจนมันเป็น10บาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทล้านบาท10บล้านบาทยี่บล้านบาทร้อยล้านบาทพันล้านบาทหมื่นล้านบาท มันเริ่มจากบาดเดียวคือความรู้สึกตัวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็พูดให้ฟังก็ขอให้ความแปรบฎิเดียงเราทั้งหลายที่เรามาเจริญสติร่วมกันประพฤติวัตปฏิบัติธรรมประพฤติปรมจันทร์ทั้งหลายก็ขอให้เป็นเหตุประปรับใ จ, จคำจุนน้นส่งให้เราทุกคนทุกท่านเดินทางสู่การพ้นทุกข์ใช้กายเป็นพ่วงแพรใช้จิตใช้ใจเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนะ สติสีนสมาธิปัญญารู้เท่ารู้ทันจนกระทั้งเข้าถึงมรรคผลนิพานในปัจจาบันนี้โดยทุกนกากันทุกท่านทุกคนเตอ